สิกขาบทที่7เรื่องพระชับขี612สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสวัสีครั้งนั้นพวกพิสุชัพฉัขีออกปากขอแกงบ้างข้าวสุกบ้างมาฉันส่วนตัวพวกชาวบ้านตำหนิประนามพนธนาว่าจะในพระสมณะเชื้อสายศักยบุตร จึงออกปากขอแกงบ้างข้าวสุกบ้างมาฉันส่วนตัวเล่าพัทหารที่ดีใครจะไม่พอใจพัทหารอร่อยใครจะไม่ชอบเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินพวกชาวบ้านตําหนิประนามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงพากันตําหนิประนามโพนธนาว่าไฉนพวกภิกษุชาวพคีจึงออกปากขอแกงบ้างข้าวสุกบ้างมาฉันส่วนตัวเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตําหนิพวกภิกษุชาวพักีโดยประการต่างๆ แล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมทรง์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมทรง์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกพิสุชาวพัคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอขอแกงบ้างข้าสุกบ้างมาฉันส่วนตัวจริงหรือพวกพิสุชาวพัคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่า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 เราจะไม่ออกปากขอแกงหรือข้าวสุกมาชันส่วนตัวสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องพระชาพาัคีจบเรื่องภิกษุผู้เป็นไข้613สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายผู้เป็นไข้พวกภิกษุผู้มีหน้าที่สอบถามอาการไข้ได้กล่าวกับพวกภิกษุผู้เป็นไข้ดังนี้ว่าท่านทั้งหลายสบายดยีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือพวกภิกษุผู้เป็นไข่ตอบว่า เมื่อก่อนพวกกระผมออกปากขอแกงบ้างข้าวสุกบ้างมาชันส่วนตัวดังนั้นจึงมีความผลาสุกแต่เดี๋ยวนี้พวกกระผมมีความยำเกรงอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามไว้จึงไม่ออกปากขอดังนั้นจึงไม่มีความผลาสุกพวกพิสูจน์ได้นําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงอนุญาตให้ภิสูจผู้เป็นไข่ขอได้ลําดับนั้นพระผู้มีรร พ, ร, พ, พ ร, ะมระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุ รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้เป็นไข้ออกปากขอแกงหรือข้าวสุกมาฉันส่วนตัวได้แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัติพึ่งทําความสําเนียกว่าเราไม่เป็นไข้จักไม่ออกปากขอแกงหรือข้าวสุกมาฉันส่วนตัวเรื่องท่าผู้เป็นไข้จบสิกขาบทวิพัง ภิกษุไม่เป็นไข้ไม่พึงออกปากคอแกงหรือข้าวสุกมาชั้นส่วนตัวภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อไม่เป็นไข้ออกปากคอแกงหรือข้าวสุกมาชั้นส่วนตัวต้องอาบัติทุกกฏอนาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ 1. นภิกษุไม่จงใจ2อภิกษุไม่มีสติ3าภิกษุผู้ไม่รู้4ีภิกษุผู้เป็นไข้5้ภิกษุขอจากญาติหภิกษุขอจากคนบวรณา7จภิกษุขอเพื่อผู้อื่น 8. ภิกษุใจามาด้วยทรัพย์ของตน 9. ภิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง 10. ภิกษุวิกลจริต 11. ภิกษุต้นบัญญัติสิกข้าบทที่ 7. จบ